วันนี้เป็นวันที่12เมษายนพุทธศักราช2561เป็นวันแรกของวันหยุดในเทศกาลสองการซึ่งปีนี้ได้มีวันหยุดเพิ่มขยายเป็น5วันด้วยกัน คือตั้งแต่วันที่12ไปถึงวันที่16เมษายนเดิมทีวันหยุดสงกานี้จะมีเพียงวันเดียวคือวันที่13เมษายนต่อมาก็มีการเพิ่มจากหนึ่งวันเป็น3มวันคือวันที่13 14 วันที่5เมษายนปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเพิ่มจาก3วันเป็น5วันคือหยุดตั้งแต่วันที่ 12, 13, 14, 15, 16เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาพักผ่อนทางร่างกายและทางจิตใจ การพักผ่อนทางร่างกายก็สาคัญเพราะร่างกายที่ต้องมาตราําทำงานทำมาหากินก็ต้องมีเวลาได้พักผ่อนบ้างจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจก็ต้องการเวลาสําหรับการพักผ่อนสาหรับการเสริมสร้างกำลัง ให้แก่จิตใจการที่เรามีวันหยุดถึงห้าวันด้วยกันนี้เราก็ต้องรู้จักใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจอย่าเอาไปใช้ในทางที่จะทำให้เกิดโทษแก่ทางร่างกายและจิตใจเพราะการใช้ ร่างกายและจิตใจในการทำกิจกรรมต่างๆมีทั้งโทษมีทั้งคุณอยู่ที่ว่าเรารู้จักใช้รู้จักว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษหรือไม่เช่นถ้าในช่วงวันหยุดนี้เราพักผ่อนด้วยการไปเสพอบายมุก เช่นดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโทษให้แก่ร่างกายและจิตใจได้เพราะถ้าเราดื่มสุรายาเมา จิตใจก็จะขาดสติอย่าควบคุมจิตใจไม่ได้เวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็จะระ ง, งับไม่ได้ก็จะนำไปสู่การกระทําสู่การพูดที่ไม่ดีได้ทำให้เกิดความเสียหายต่างๆตามมาได้หรือการดื่มสรายาเมา มากก็จะทำให้เกิดโทษแก่ร่างกายได้ทำให้ร่างกายอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้และการดื่มสุราเมื่อดื่มแล้วก็จะเกิดความติดพันก็จะติดการดื่มสุราจะดื่มไปเรื่อยๆและดื่มมากขึ้นไปตามลำดับจะทำให้ร่างกายเสี่ยงต่อ เป็นโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆจะทำให้เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรนี่คือตัวอย่างของการใช้เวลาว่างจากภารกิจการงานไปทำกิจกรรมถึงแม้ว่าจะให้ความสุขแต่มันก็เป็นความสุขชั่วคราวความสุขประเดียวประดาว ความสุขระยะสั้นแต่กับทำให้เกิดมีโทษมีทุกข์ตามมาในระยะยาวเราจึงต้องศึกษาให้รู้ว่าการกระทาอย่างไรกิจกรรมอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรการที่เราจะรู้คุณโทษของกิจกรรมต่างๆ เราต้องเข้าหาผู้รู้ผู้ที่รู้เรื่องกิจกรรมที่เป็นคุณเป็นโทษต่อร่างกายกับจิตใจนี้ที่รู้ดีที่สุดเก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้ารหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษากิจกรรมต่างๆที่มนุษย์เรากระทากันได้เห็นทั้งคุณได้เห็นทั้งโทษ ของกิจกรรมต่างๆจึงเอาสิ่งที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้นี้มาสั่งสอนผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะรู้เพราะบางทีตัวเองไม่รู้ทำไปแล้วคิดว่าจะเกิดคุณเกิดประโยชน์แต่กลับเกิดโทษตามมาเพราะทำไปโดยไม่รู้ ถึงผลที่จะเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้เวลาอันว่างนี้ให้เกิดคุณประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของพวกเราสิ่งที่เราควรทำกันก็คือเข้าวัดเข้าวากันไปวัดไปวากันเพราะตามธรรมดาถ้าไม่มีวันหยุดเราจะไม่สามารถไปวัด กันได้เราต้องไปทํางานทําการกันแต่นี่เรามีวันหยุดหลายวันด้วยกันเราควรที่จะแบ่งเวลาไปวัดบ้างถ้าเรายังไม่รู้คุณค่าของการไปวัดว่ามีคุณค่าอย่างไรเราก็ลองแบ่งไปสักวันสองวันดูไปเข้าวัดเพื่อที่จะได้ไปศึกษา ไปฟังเทศฟังธรรมไปรู้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เป็นคุณและเป็นโทษแก่ชีวิตจิตใ จ, จของพวกเราเช่ mm hmm. นกิจกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นกิจกรรมที่มีโทษก็คืออบายามกนี่อบายามกนี้ก็มีอยู่ห้าประการด้วยกัน คการดื่มสุรายาเมา 2. การเล่นการพนัน 3. การเที่ยวกลางคืนหรือการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆมหรสพ บ, บันเทิงต่างๆ 4. การคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรและ 5. ความเกลียดคร้านนี่เป็นกิจกรรมหรือการกระทําที่ จะนำความเสียหายนำความทุกข์นำโทษมาให้แก่ผู้กระทำถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราอาจจะมองไม่เห็นโทษของกิจกรรมเหล่านี้เรากลับจะเห็นว่ามันเป็นกิจกรรมที่มีคนมีประโยชน์เช่น การดื่มโสรายาเมาสสำหรับคนที่มีความเครียดกับการงานหรือเครียดกับปัญหาต่างๆพออะไได้ดื่มโสราแล้วก็รู้สึกช่วยบรรเทาความเครียดได้แต่มันเป็นการบรรเทาที่ไม่ถูกเพราะมันไม่ได้ไปบรรเทาได้อย่างแท้จริงบรรเทาได้ชั่วคราวแล้วก็กลับไปสร้าง ปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นอีกปัญหาใหม่ก็คือการติดสุรานั่นเองเราใช้สุรามาแก้ปัญหาคือความเครียดความไม่สบายใจเวลาดื่มสุราไปความเครียดนั้นก็คลายไปชั่วคราวแต่ไม่หายเพราะเดี๋ยวพอเราไม่ได้ดื่มสุราความเครียดนั้นก็จะกลับมาใหม่ แล้วก็ต้องดื่มโุราใหม่อีกพอทำอย่างนี้ไปมันก็จะกลายเป็นติดสุราไปบางทีเวลาไม่เครียดก็ต้องดื่มสุราเพราะมันเกิดอาการเครียดที่เกิดจากการไม่ได้ดื่มสุราไม่ใช่เกิดจากการมีปัญหาอะไรต่างๆเพราะเมื่อดื่มสุราแล้วมันก็จะเป็นมันจะติดการดื่มสุรา พอติดแล้วเวลาไม่ได้ดื่มมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาอีกอนี่คือการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกจุดเวลาเรามีปัญหาความเครียดทางจิตใจเราต้องศึกษาวิธีที่ถูกต้องถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกท่านจะสอนว่า การดื่มสซดา ห, หรือการเสพอบายมุขนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ความเครียดไม่ใช่เป็นวิธีสร้างความสุขออกลับจะเป็นวิธีสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมากขึ้นไปเสียอีกออวิธีที่จะแก้ความเครียดนั้นต้องมาแก้ที่ใจ เ, ออเพราะต้นเหตุของความเครียดนั้นอยู่ที่ใจ ความเครียดนื่ความทุกข์นี่เองต้นเหตุของมันก็อยู่ที่ความอยากต่างๆพออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เกิดความเครียดขึ้นมาเท่านั้นเองถ้าถ้าอยากจะไม่ให้เครียดก็หยุดความอยากนั่นเสียยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เราอยากได้นะั้นมันเราทาไม่ได้เมื่อทาไม่ได้ก็อยากไปทำมัน ยอมหยุดเสียความเครียดก็จะหายไปแต่คนส่วนใหญ่นี้ทำไม่ได้เพราะเวลาอยากได้อะไรแล้วจะต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วจะดิ้นตายจะทรมานก็เลยต้องหาวิธีต่างๆนาน า, นาเพื่อที่จะให้สิ่งที่อยากจะได้ แล้วถ้าไปหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องก็จะเกิดโทษตามมาอีกเช่นไปทำบาปอยากจะได้เงินทองแล้วไม่สามารถหาเงินทองได้โดยวิธีที่ไม่ทำบาปก็จะต้องไปทำบาปกันพอทำบาปแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นมาอีกเพราะกลัวจะ ถูกจับไปลงโทษอีกเียก็แก้ความเครียดด้วยการเดิมสลายอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาต่างๆอับอายมุกหรือการกระทำบาปนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือในสำหรับการแก้ปัญหาต่างๆแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างปัญหาใหม่ๆให้เกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย วิธีที่จะแก้ปัญหาแก้ความเครียดทางใจนี้ต้องแก้ด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอความเครียดความทุกข์ต่างๆปัญหาต่างๆของพวกเราเกิดไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นะเกิดจากความอยากได้ลาบยศสรรเสริญ ความอยากได้ความสุขทางตาหูจมกูกลิ้นกายแล้วเป็นความอยากที่ไม่มีขอบมีเขตได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้แล้วก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกพออยากแล้วไม่ได้ก็เครียดก็อาจจะต้องไปทาบาปเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่อยากได้ แล้วก็จะทาให้พอทำบาปก็จะทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นมาอีกนี่คือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้เกิดจากความอยากสามประการนี้เองความอยากได้ลาบยศเสริญความอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาไป ย็นได้ลาบยศสรรเสริญพอได้มาแล้วก็ไม่อยากจะสูญเสียเวลาเกิดเวลาที่จะต้องสูญเสียก็เกิดความเครียดขึ้นมาอีกปัญหาทั้งหมดนี้อยู่ที่ว่าเราไม่ได้เข้าหาเข้าศึกษาจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกนั่นเอง ที่รู้วิธีกำจัดความเครียดกำจัดปัญหาต่างๆที่พวกเรามีกันอยู่ในในขณะนี้ปัญหาทั้งหมดที่พวกเรามีกันทุกคนนี้เกิดจากความอยากทั้งสามประการนี้ทั้งนั้นความอยากได้ราบยศสรรเสริญสุขความอยากมีความสุขทางตาหูจมูกลินกายความอยากไม่สูญเสีย ราบยศสรรเสริญสุขที่หามาได้ก็พยายามที่จะคอยหามาเพิ่มหรือคอยป้องกันไม่ให้สูญเสียไปแต่บางเวลาก็ทำไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไป เวลาใดที่เราสามารถทำตามความอยากได้เวลานั้นก็จะไม่มีปัญหาตามมาแต่เวลาใดที่ไม่สามารถทำตามความอยากได้ตอนนั้นปัญหาจะเกิดขึ้นความเครียดจะเกิดขึ้นความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ก็จะไปแก้ปัญหาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือไม่ฉะนั้นก็ไปเสพอบายมุกไปดื่มสุรายาเมาดับความเครียดหรือบางทีต้องการเงินทองก็คิดว่าไปเล่นการพนันจะช่วยทำให้ได้เงินทอง ได้ง่ายได้เร็วแต่การเล่นการพนันมันก็มีทั้งสองมีทั้งได้มีทั้งเสียถ้าได้ก็อยากจะได้มากมาพราะคิดว่าได้พอเล่นได้แล้วก็มีความชราใจคิดว่าเก่งก็ไม่เลิอกอยากจะเล่นเพิ่มขึ้นไปเพราะอยากจะได้มากขึ้นไปแล้วพอเสียก็อยากจะได้คืน ก็ไม่เลิกอีกก็ต้องเล่นอีกเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็หมดเนื้อหมดตัวถ้าไม่รู้จักเลิกถ้าไม่รู้จักขอบเขตถ้าคิดว่าถ้าตั้งเป้าหมายว่าจะต้องได้อย่างเดียวก็เลิกไม่ได้คนที่เล่นการพ น, นันทุกคนก็ตั้งเป้าหมายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมีใครไปตั้งเป้าหมายว่ายอมเสียกันถ้ายอมเสียกันก็อยาบไปได้นี่มันเสียเวลา ที่เล่นการมานานกันทุกคนก็ตั้งเป้าว่าจะต้องได้พอได้ก็อยากจะได้มากไม่ได้ตั้งขอบความอยากมันจะเพออิ่มขึ้นไม่ได้กําหนดกรอบว่าจะต้องได้เท่าไหร่ ถ, ถึงจะหยุดพอได้แล้วก็ยังไม่พอก็ต้องเล่นต่อพอเล่นต่อมันก็ต้องมีเสียบ้างพอเล่นจะได้อย่างเดียวคนที่เขาเล่นด้วยกับเราเขาก็ไม่เล่นกับเรานั้นก็ต้องมีเสียกัน พอเสียทีนี้ก็อยากจะได้คืนก็เล่นอีกถ้าไม่ได้คืนทีนี้พอเงินทองหมดก็ต้องไปขายข้าวของขายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ไปเ <Yeah. S 1> ันว่าการเล่นการพนันนี่มันโหด ร, ร้ายต่อขโมยขึ้นบ้านขโมยขึ้นบ้านมันเอาไปได้เพียงทรัพย์สมบัติข้าวของที่มีอยู่ในบ้าน แต่บ้านกับที่ดินมันยังเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเล่นการพ น, น, นันนี้ไฟไหม้บ้านไฟไหม้บ้านก็ดับไหม้แต่บ้านที่ดินยังอยู่แต่ถ้าเล่นการพ น, น, นันนี้หมดเลยมีสมบัติเท่าไหร่ก็ขายมีบ้านก็ขายมีที่ดินก็ขายเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเล่นต่ออ น, นี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราไม่ควรกระทํากัน เพราะมันมีแต่จะดูดทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ใช่เป็นวิธีสร้างราบไม่เป็นวิธีสร้างราบคือทรัพย์สมบัติอบายมุกทุกชนิดเป็นมีแต่จะดูดทรัพย์สมบัติเราไปมันไม่ได้เป็นตัวสร้างทรัพย์สมบัติถ้าเราไปเที่ยวกันเนี่ยก็ต้องเสียเงินเสียทองกันเนี่ยหยุดห้าวันเนี่ยถ้าทํางานห้าวันนี้จะได้เงินได้รายได้พอหยุด ก็ไม่ได้มีรายได้สำหรับคนบางคนที่ไม่ได้ทำงานด้วยเงินเดือนเขาจะไม่มีรายได้ถ้าเขาทำงานเป็นรายวันวันไหนไม่ทำเขาก็ไม่ได้ถ้าหยุดทำงานปั๊บก็ไม่มีรายได้แล้วแล้วนอกจากนั้นถ้าเอาไปเที่ยวเอาวันหยุดไปเที่ยวก็ต้องมีแต่รายจ่ายเนี่ยเที่ยววันหนึ่งก็สักกี่ตางเดินทางไปต่างจังหวัดกันไปนู่นมานี่กัน ไปเที่ยวกันก็ต้องเสียทรัพย์ไปเองดงนั้นอบายามุกนี้มีแต่มีแต่เสียหายมีแต่ความเสียหายแก่ผู้กระทำํำไปเที่ยวก็จะหมดเงินหมดทองไปถ้าไปคบเพื่อนที่ชอบเที่ยวชอบอบายามุกเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายามุกถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราเดื่มสุรา ถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวถ้าเขาชอบความเเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคร้านเอพอเราจะไปทํางานไปหาเงินหาทองเขาบอกเอ้ยอย่าไปเลยอยู่เฉยๆดีกว่าไปเล่นการพนันดีกว่าไปนั่งดื่มสุราดีกว่าอสบายกว่าอันนี้คือไม่ควรคบคนเหล่านี้คนที่ชอบ สุระชอบอบายามุกแต่เรียกว่าครบคนผานคนผานก็คือคนง่คนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้ว่ากิจกรรมที่ทำนั้นมีคุณมีโทษอย่างไรเรียกว่าคนผานตรงกันข้ามกับบัณฑิตบัณฑิตนี้เป็นคนฉลาดเราใช้บัณฑิตกับนักศึกษาที่จบปริญญาเป็นผู้นี่มวีวิชาความรู้ แต่ทางาศาสนานี้ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตแท้ความรู้ทางโลกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่ถูกที่มีคุณประโยชน์อย่างแท้จริงมีคุณประโยชน์ในบางส่วนแต่บางส่วนนี้ยังไม่มีคุณประโยชน์ทางด้านจิตใจนี้ไม่มีมีแต่คุณประโยชน์ทางร่างกายความรู้ทางโลกเป็นความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเป็นวิ เป็นความรู้ที่จะทำให้ผู้รู้นี้สามารถไปทำงานทำการมีรายได้เลี้ยงชีพได้ก็คือดูแลร่างกายได้แต่ก็จะไม่รู้เรื่องของอคุณโทษของกิจกรรมต่างๆเช่นอบายามุกหรือการกระทำบาปแต่บัณฑิตทางโลกที่จบปริญญาตรีโทเอกนี้ยังติดคุกติดตารางได้เพราะยังไปทำบาปกัน เพราะไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโทษของกิจกรรมเหล่านี้บัณฑิตทางโลกยังไปดื่มสุรายาเมายังเล่นการพนันยังเที่ยวกลางคืนกันอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงบัณฑิตที่แท้จริงต้องเป็นของของพระพุทธศาสนานี้ต้องเป็นพระอริยบุคคลขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงพระอริยเจ้า ท่านจะรู้คุณรู้โทษของกิจกรรมต่างๆว่ากิจกรรมอย่างไรเป็นคุณกิจกรรมอย่างไรเป็นโทษพระพุทธเจา้าจึงทรงสอนว่าถ้าอยากมีความเป็นสิริมงคลให้เลือกคบคนอย่าคบคนพาลให้คบคนฉลาดคนคนที่รู้คือบัณฑิตแล้วอย่าคบคนพาลคนโง่ ให้คบบัณฑิตคนฉลาดเพราะคบคนฉลาดแล้วเขาก็จะชวนเราไปทำกิจกรรมที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ถ้าคบกับคนง่อคนพานเขาก็จะชวนเราไปทำกิจกรรมที่เป็นโทษกับผู้กระทาเพราะเขาไม่รู้โทษของการกระทำ ร, รู้แต่คนซึ่งเป็นคนที่ น้อยมากเมื่อเปรียบกับโทษที่จะต้องได้รับคือได้ไม่คุ้มเสียจากการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับอบายามุกได้ความสนุกได้ความเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียดไปได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงพอไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะกลับมาเครียดเหมือนเดิมพอมาเจอปัญหาเก่าก็จะเครียดเหมือนเดิม แล้วนอกจากนั้นยังไปสร้างปัญหาใหม่ว่าะจะทำให้ติดอบายมุกและอาจจะต้องเกิดการสูญเสียถ้าไม่ระมัดระวังสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวไปก็ได้นี่คือเราจึงต้องเลือกคบบัณฑิตอยาคบคนผ่านบัณฑิตก็คือพระพุทธพระอริยสงฆ์ พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วแต่มีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนเรายังสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าได้ด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่เช่นนั้นก็ไปพบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถบรรลุมรรคผลต่างๆขึ้นมาได้ท mm hmm. ่านเหล่านี้แหละเรียกว่าเป็นบัณฑิตจริงได้จบปริญญาจริง mm hmm. จบปริญญาทางพุทธศาสนาจบปริญญาตรีโทเอก mm hmm. เป็ น, ปนคือจบโสดาบันสกิดาคามมอนาคามมอัลหัน นี่แหละเป็นบัณฑิตที่แท้จริงถ้าจะคบบัณฑิตต้องคบกับพระอริยบุคคลสี่ประเภทนี้ซึ่งเราจะพบอริยบุคคลสี่ประเภทนี้ได้ก็ต้องไปที่วัดเพราะเป็นที่อยู่ของอริยบุคคลเป็นที่อบรมสั่งสอนของพระอริยบุคคลต้องไปวัดกันนี่คือททำไมในวันหยุด ถ้าเราต้องการที่จะได้รับประโยชน์จากเวลาที่เราไม่ต้องไปทําภารกิจการงานต่างๆเราควรจะไปวัดกันจะได้รับประโยชน์โดยถ่ายเดียวโทษนี้จะไม่มีเลยแต่ถ้าเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่คนส่วนมากจะทํากันก็คือจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไปผ่อนคลายด้วยการไปเสพอบายามุขต่างๆไปเดื่มสุรายาเมาไปเล่นการพนันไปเที่ยวตามสถานที่สถานบันเทิงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นการผ่อนคลายได้ชั่วคราวแต่มันจะทำให้ต้องมีปัญหาตามมาเพราะจะติดกับวิธีผ่อนคลายแบบนี้ ซึ่งจะไม่ได้เป็นวิธีที่จะแก้ปัญหาได้อย่างถาวรแก้ปัญหาได้ชั่วคราวแล้วก็สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาคือททำให้ติดกับการวิธีการเหล่านี้แล้วต่อไปในอนาคตเวลาที่ร่างกายเริ่มแก่ลงไปเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยการที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีเหล่านี้ก็จะทำได้ยากขึ้น น่าจะทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ใจก็จะมีแต่ความเครียดต้องอยู่กับความเครียดแต่ถ้ามาทางวัดมาศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือศึกษาจากพระอริยสงสาวบกท่านก็จะสอนให้เราทำกิจกรรมที่จะแก้ความเครียดแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้และไม่มีโทษตามมาจากกิจกรรมเหล่านี้<ม>กิจกรรมที่ท่านสอนให้เรามาแก้ความเครียดกันก็คือให้เรามาทำบุญทำทานกันให้มารักษาศีลกั น, กนให้มาภาวนากันให้มาฟังเทศฟังธรรมกันนี่คือกิจกรรมที่สาคัญ ที่จะแก้ปัญหาเกิดความเครียดต่างๆความไม่สบายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรนี่แหละเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราเลือกคบกับบัณฑิตเลือกคบกับพระอริยบุคคลหรือเลือกคบกับพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเดี๋ยวนี้สมัยนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็แพร่หลายไปอย่างกว้างขวางสื่อต่างๆที่จะให้เราได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อยู่ในการร ม, มือเราแล้ ว, ลวอยู่ในมือถือเราแล้ ว, ลวต้องการที่จะศึกษาพะสดตรคำสอนอันใดเพียงแต่ กรอกชื่อก็ไปในมือถือก็โผล่ขึ้นมาแนละ้วอยากจะรู้ว่ามงคลสามสิบแปดมีอะไรบ้างก็เขียนคําว่ามงคลสามสิบแปดมันก็จะโผล่ขึ้นมาว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คืออย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตข้อที่สองให้คบบัณฑิตสามบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งน พราะการกระทําเหล่านี้จะทําให้เกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษการไม่ครบคุณพานก็เกิดประโยชน์คือจะได้ไม่ไม่เสียทรัพสมบัติไม่เสียเนื้อเสียตัวถ้าไปครบคนณพานเดี๋ยวก็จะเสียทรัพย์สมบัติเสียเนื้อเสียตัวเสียข้าวเสียของพอไม่ได้ครบก็เท่ากับเราได้รักษาเนื้อตัวเราไว้รักษาสมบัติของเราไว้ครบบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาให้เราไปทํากิจกรรม ที่จะกำจัดปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปบูชาบุคคลที่สมควรแก่ควการบูชาก็จะทำให้เราเป็นคนที่เป็นคนดีคุณสมบัติของคนดีก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนความมีความกตัญญูกะตะเวทีความรู้คุณของรู้คุณของผู้ที่มีพระคุณ ที่เราบูชาเราก็บูชาบุคคลที่มีพระคุณเป็นการแสดงความกตัญญูรู้ว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณประโยชน์เป็นบุคคลที่ควรที่จะยกย่องสรรเสริญเทิดทูนอยู่เหนือศษยอยู่เหนือเสียงเกล้าเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์บุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ควรที่จะให้ความเคารพนับนถือ ได้แสดงความบูชาก็จะทำให้เรามีความสุขบุคคลที่ได้รับการบูชาก็จะเห็นว่าเราเป็นคนดีก็ยินดีที่จะสนับสนุนถ้ามีอะไรที่เขาจะช่วยเหลือเราได้เขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราเสมออันนี้ยกตัวอย่างถึงการเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นธรรมระดับไหนธรรมระดับของผู้ครองเรือน ทำระดับของผู้ของนักบวชเดี๋ยวนี้ความรู้เหล่านี้อยู่ในก ร, ร ม, มือแล้วเพียงแต่เปิดมือถือขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปอยากจะรู้เรื่องการทำบุญทำทานว่ามีอะไรบ้างก็กดเข้าไปก็จะโผล่ขึ้นมาบุญกิริบญญกิริยาสิบประการการทำบุญสิบประการของทางศาสนาพุทธ บุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทำทานบุญที่เกิดจากการไม่กระทําบาปเรียกว่าศีลบุญที่เกิดจากการอบรมบ่มจิตใจให้สงบให้ชลาเรียกว่าภาวนาบุญที่เกิดจากการอุทิศส่วนบุญเรียกว่าการอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการร่วมอ น, อนุโมทนาบุญแกผ่ผู้ผู้ที่ทําบุญ บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการได้ให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี่คือวิธีทาบุญสิบประการของทางพระพุทธศาสนาถ้า เราอยากจะทำบุญเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะค้นหาได้สมัยนี้มีข้อมูลต่างๆที่เราต้องการถ้าอยากจะรู้ว่าศีลมีอะไรบ้างก็ใส่ศีลเข้าไปก็จะโผล่ขึ้นมามีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี 7, ่บเจ็ดศีลสามร้อยกว่าข้อให้เราได้ศึกษาได้เลียมรู้ประโยชน์ของศีลมีอะไรบ้างก็ก็จะแสดงไว้ การรักษาศีลท่านก็บอกว่ามีประโยชน์หลายประการประการแรกก็คือใจเราจะสงบใจเราจะสบายเวลาเราไม่ทำบาปแล้วใจเราจะไม่มีความวิตกหวาดกลัวถ้าทำบาปทาผิดกฎหมายเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่สบายใจทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่รู้เรื่องของเราเขาไม่ได้มาตามจับเรา เพียงแต่นั่งรถไปไปเจอด่านเขาขอตรวจหน่อยก็ไม่สบายใจแล้วกลัวว่าเขาจะมาจับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราจะสบายใจอยากจะตรวจก็ตรวจไปเลยมีอะไรอยากจะถามอะไรล้วก็ตอบได้หมดเพราะเราไม่มีอะไรจะต้องปกปิดแต่ถ้าเราไปทำบาปทำผิดกฎหมายแล้วนี่เราต้องปกปิดแะเพราะเราไม่อยากให้ใครเขารู้ พอไม่อยากให้เขาประนามเราหรือไม่อยากให้เขาจับเราไปลงโทษนั่นเองพอทําบาปแล้วมันก็เลยทําให้ใจไม่สบายขึ้นมาอันนี้โทษเกิดขึ้นทันทีที่เห็นได้กับทุกคนจะต้องเกิดทุกคนอันนี้เกิดใจจะไม่สบายส่วนประการที่สองที่อาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ก็คือทําบาปหรือทําผิดกฎหมายแล้วอาจจะยังไม่ถูกจับไปลงโทษก็ได้ เพราะเขาอาจจะไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเราได้ทำบาปก็เลยไม่มีใครไปแจ้งความไม่ไม่มีใครไปแจ้งความมาจับเราเราก็ไม่ถูกจับอันนี้ไม่แน่บางบางทีเขารู้เขาก็มาจับเราถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่จับเราในเวลาเราทำบาปแล้วทำผิดกฎหมายแล้วไม่ถูกจับอย่าไปช้าใจเพราะถ้าเราดูที่ผลอันนี้มันจะไม่อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ แต่ผลที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือที่ใจเราใจเราจะไม่สบายเมื่อเปรียบกับเวลาที่เราไม่ได้ทำบาปกับเวลาที่เราทำบาสนี่ต่างกันตายจะสบายไม่สบายต่างกันแล้วผลที่จะตามมาที่เรามองไม่เห็นคือเวลาที่เราตายไปแล้วเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจของเรานี้ยังต้องไปรับผลบาปต่อไปที่ไปรับผลบาปก็เรียกว่าอบาย อบายกิที่ที่อยู่หรือที่เกิดของอสัตว์โลกสี่ชนิดด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกอันนี้เกิดจากการทําบาปด้วยสาเหตุต่างๆทําบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าปีโทษก็เป็นเดรัจฉานทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตทําบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายทําบาปด้วยความ โกรเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทก็จะเป็นนรกขึ้นมาอันนี้คือผลที่จะตามมาที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเรามีเวลาว่างอย่างวันนี้แทนที่เราจะไปเที่ยวกันเราอยู่บ้านพักผ่อนให้สบายอยู่บ้านดีที่สุดพักผ่อนร่างกายร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นอนถึงกี่ชั่วโมงก็ได้ จะเตือนสายก็ได้แล้วก็มีเวลาว่างอยู่บ้านอยากจะศึกษาธรรมะก็สามารถถ้ามีหนังสือธรรมะก็อ่านได้หรือถ้าอยากจะรู้ธรรมะข้อไหนถ้ามีมือถือก็กดเข้าไปได้เดี๋ยวนี้เรามีห้องสมุดมีธรรมะอยู่ในการรมือแล้ ว, ลวอยากจะรู้ธรรมระดับไหนก็สามารถค้นคว้าได้ศีลก็มีหลายระดับศีนห้าสีนแ สีสิบศีลสองร้อยี่บเจ็ดเนี่ยแล้วถ้าอยากจะรู้ระดับของการภาวนาของการอบรมบ่มนิสัยจิตใจให้สงบให้ฉลาดให้ปราศจ า, ก ค, ากความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่วุ่นวายวุ่นวายใจต่างๆเราก็สามารถค้นคว้าหาได้ถ้าเราไม่รู้ว่าการภาวนามีอะไรบ้างถ้ากดเข้าไปก็จะพบว่ามีสองระดับ ระดับแรกเรียกว่าส ม, มถะภาวนาระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาส ม, มถะภาวนาทำอย่างไรส ม, มถะภาวนาคือการทำใจให้สงบจะทำใจให้สงบต้องทำอย่างไรก็ต้องหยุดความคิดความคิดนี้จะถ้าปล่อยให้คิดมันจะไม่มีวันสงบด้วยตัวของมันเองถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยเราไม่เคยหยุดความคิดได้เลย ตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่เราไม่ได้หยุดคิดกันเลยคิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปเรื่องโน้นต่อคิดอยู่ตลอดเวลาใจเราเลยไม่เคยพบกับความสงบเลยไม่รู้ว่าความสงบนี้ดีอย่างไรมีคนกลับเราอย่างไรสาหรับผู้ที่ได้ทําใจให้สงบแล้วเขาจะรู้เขาจะบอกว่าความสงบนี้แหละให้ความสุขที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ จะให้ได้ต่อให้ได้เงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านความสุขที่ได้จากเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ซื้อความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตระดับไหนก็ตามระดับมหาจากกักรพรรดิระดับ ป, ภาภาประธานาธิบดีระดับนายกรัฐมนตรีก็ซื้อความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้จะได้รางวัลระดับไหนก็ตามระดับโลก รางดำรางมันโนเบลรางวันอะไรก็ตามก็ความสุขที่ได้สู้ความสุขที่ได้จากการทําใจให้สงบไม่ได้ด้วยความสุขที่ได้จากการไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆเช่นไปท่องเที่ยวเมืองนอกเมืองระดับโลกที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไปอยู่โรงแรมระดับห้าดาวไปกินอาหารร้านอาหารห้าดาว ดูการบันเทิงระดับห้าดาว mm hmm. ก็สู้การมาทำใจให้สงบไม่ได้ mm hmm. ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้มันเหนือกว่าความสุขเหล่า น, นี้และมันสะดวกมันง่ายกว่าเยอะแยะไม่ต้องวุ่นวาย mm hmm. เพียงอยู่เฉยๆอยู่กับที่แล้วก็หยุดความคิดให้ได้เท่านั้นเองแต่ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ต้องเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องต่อสู้ และอาจจะต้องไปทำบาปเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาได้มาแล้วยังต้องไปใช้โทษต่อไปใช้หนี้ต่อไปถ้าไปทำบาปอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็มีการประกรไว้ตั้งแต่ตอนที่ประสูติมาใหม่ๆว่ามีทางไปอยู่สองทางอนาคตมีอยู่สองทางด้วยกันทางหนึ่งก็จะได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิอีกทางหนึ่งก็จะได้เป็นพระบรมศาสดา เป็นเป็นศาสดาของของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเลือกทางเป็นบร ม, มาศาสดาเพราะเป็นทางสู่ความสงบเป็นทางที่ไม่ไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับใครถ้าเลือกทางมหาจักรพรรดนี้เป็นทางที่วุ่นวายเป็นทางที่จะต้องสร้างบาปสร้างกรรมเพราะการจะเป็นมหาจักรพรรดิก็ต้องทำสงคราม เพื่อไปครอบครองแผ่นดินของผู้อื่นมาเป็นแผ่นดินของตนพ่อองค์จึงไม่เลือกไปทางนั้นเพราะบารมีที่ได้ทรงสร้างไว้ไม่ได้ส่งให้ไปในทางนั้นส่งให้ให้ไปเป็นพระบรมศาสด า, ศ า, ศาให้ได้เป็นพระอาลัยตถาสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่พ่อองค์ทรงปรารถนาเกิดต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ต้องการที่จะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเวลาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วทําให้พระองค์มีความเศร้าพระทัยเป็นอย่างยิ่งแทนที่แทนที่จะมีความสุขกับการ อ, อยู่ในพระราชวังความสุขเหล่านั้นหายไปหมดพอคิดถึงอนาคตที่พระองค์จะต้องเป็นคือต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตาย ยึงทําให้พระองค์ไม่มีความปรารถนาที่จะอยู่ในพระราชวังอยู่เพื่อไปเป็นพระหมหาจักรพระตามที่พระราชบิดาทรงปรารถนาไว้ทรงห้อมล้อมมีแต่คนหนุ่มคนสาวคนรูปร่างหน้าตาดีผิวพรรณผ่องใสให้อยู่รอบล้อ ม, อมห้อมล้อมเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเพื่อที่จะได้ไม่ให้เห็นความทุกข์ของร่างกายว่ามันจะต้องมีการแปลสภาพไปเปลี่ยนไป แต่พระองค์ก็ทรงเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเมื่อไม่เมื่อห้าไม่ให้ออกไปก็ต้องหนีออกไปก็ต้องเล่นรอบออกไปพอไปดูนอกวังกันนายวังมันเป็นคนละโลกเลยนอกวังนี้มีความทุกข์ยากลาบากนานาประการมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายที่พระองค์ไม่เคยเห็นมาก่อนจึงทาให้พระองค์เห็นว่าการเกิดนี้ไม่ดีเลย เกิดมาแล้วจะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ยากลาบากต่างๆแล้วได้เห็นนักบวชก็เลยทำให้มีความหวังเพราะทราบว่านักบวชนี้จะเป็นผู้ที่จะไปหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเลยองก็เลยมีความปรารถนาที่จะไปทางนั้น พอถึงเวลาที่ตองเป็นจะต้องไปพระองค์ก็เลยเสด็จไปวันที่ทราบว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสก็ทรงรู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะไปไม่ได้เพราะความรักความผูกพันต่อพระราชโอรสจึงตัดสินพระทัยที่จะตั้งหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยที่ไม่ไปดูหน้าพระราชโอรสเลยนี่คือความรารถนาของพระพุทธเจ้า พอทรงเห็นว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แม้จะเลิศขนาดไหนวิเศษขนาดไหนมันก็ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปความสุขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปพอพระองค์ได้ไปทรงแสวงหาความสุขในรูปแบบใหม่ความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก็ทำให้พระองค์นี้สามารถเลิก การหาความสุขแบบเก่าได้ความสุขทางตาหูจม um, ูกลิ้นกายเมื่อเลิกหาแสวงหาความสุขทางแบบเก่าได้กาจัดความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายเมื่อไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่มีปัญหา พอไม่ต้องใช้มันแล้วพอไม่มีร่างกายก็มีความสุขได้และมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายก็เลยไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายเวลาแก่ก็แก่ไปไม่ได้ใช้ร่างกายอยู่แล้วเวลาเจ็บก็ไม่ได้ใช้ร่างกายอยู่แล้วแต่ถ้ายังใช้ร่างกายอยู่จะเดือดร้อนมากเคยไปไหนมาไหนได้พอแก่แล้วไปไม่ได้นี่มันก็อยู่บ้านก็รู้สึก เหงาว้าเวเช่นเนี่ยช่วงยุนหยุดห้าวันนี้ลูกหลานอาจจะไปเที่ยวกันแต่ปล่อยให้คนแก่คนชราอยู่บ้านกันเพราะไปไม่ได้อยู่บ้านก็เหงาไม่มีความสุขเหมือนกับพวกที่ออกไปเที่ยวกันแต่ถ้าเรามาภาวนามาหยุดความคิดได้มาทำใจให้สงบได้เราจะมีความสุข โดยที ale, ่เราไม่ต nee, ้องไปไหนเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายแก่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรร่างกายเจ็บไข้นอนอยู่บนเตียงก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเรายังสามารถมีความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบได้หยุดความคิดได้ความสุขที่เกิดจากการหยุดความคิดได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายร่างกายจะตายก็ไม่เดือดร้อน แล้วเราก็จะไม่ต้องมีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเพราะไม่รู้จะเอาร่างกายมาอันใหม่มาทำอะไรเพราะไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ่มรสดมกลิ่นไม่มีความอยากจะได้ลาบยศสารเสริญไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวที่ไหนไปดูอะไรไปฟังอะไรก็จะทำให้ไม่ต้องมีร่างกายพอร่างกายนนี้หมดไปก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่ อันนี้แหละคือการภาวนาการภาวนานี้เป็นกิจกรรมที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ส่วนการรักษาศีลนี้ยังยุติไม่ได้การรักษาศีลนี้จะยุติเพียงแต่การไปเกิดในอบายได้เท่านั้นถ้ารักษาศีลห้าได้ตายไปจะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะถ้าไม่ได้ทําบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไป แต่ถ้าได้ทำบุญออก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆออกิจกรรมทำบุญเราจึงทำกันเพราะว่าแทนที่เราจะเอาเงินทองนี้ไปเล่นการพ น, นันไปดื่มสุรายามเมาไปท่องเที่ยวไปดูไปฟังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเอามาทำบุญจะเกิดประโยชน์มากกว่าเงินก้อนเดียวกัน มีคุณมีประโยชน์ต่างกันถ้าเราใช้กับกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันถ้าเอาใช้กิจกรรมกับอบายมุขจะเกิดโทษตามมาแต่ถ้าใช้กับการทำบุญนี้จะเกิดประโยชน์เพราะเวลาทำบุญก็จะมีความสุขใจอิ่มใจเพราะจ ะ, ะไม่ตอบสนองความอยาก อยากเที่ยวอยากเล่นการพนันอยากเดื่มโซราเช่นอยากจะเดิ่มโซราเราก็ไม่ดืมเอาเงินไปทำบุญดีกว่าอยากเล่นการพนันเราก็ไม่เล่นไปทำบุญดีกว่าอยากไปเที่ยวอยากไปดูการละเล่นดูมหโระทศ บ, บันเทิงต่างๆก็ไม่ไปไปทำบุญดีกว่าพอไปทำบุญใจก็ฝืนความอยากเหล่านี้ได้ก็ทำให้ความอยากเหล่านี้อ่อนกาลังลง เราจะไม่มาสร้างความหงุดหงิดนำคาญใจให้แก่เราความหงดหงิดนำคาญใจของพวกเราเกิดจากความความอยากเหล่านี้นั่นเองพอ เ, เกิดความอยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากมันก็จะหงุดหงิดนำคาญใจไม่สบายใจแต่พอเราฝืนมันได้มันก็จะไม่มาทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจวิธีฝืนก็คือต้องเอาเงินนี้ไปทําบุญ เพราะถ้ายัางไม่เอาไปทําบุญมันก็ยังจะล่อใจเราอยู่นั่นยังมีก้อนเงินก้อนนี้อยู่จะอาไปยังอยากจะไปเที่ยวอยู่ยังอยากจะไปดื่มโซลายังอยากไปเล่นการพนันอยู่แต่พอเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญแล้วก็ไม่มีเงินไปเที่ยวแล้วไม่มีเงินไปเล่นไม่มีเงินไปดื่มโซลามันก็ไม่ได้เดื่มมันก็เลิกดื่มได้เพราะเวลาทําบุญมันก็ทาให้ใจเราอิ่มใจเราสบายแล้วประโยชน์ หลังจากนั้นเวลาตายไปเราก็ยังได้ไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์สวรรค์ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวดีๆนี่เหมือนเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนไปสวรรค์ในโลกนี้เวลาเราไปท่องเที่ยวในโลกนี้เราก็ไปต่างประเทศกันเวลาเราไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก็เวลาที่ร่างกายเราไม่มีแล้วใจเราไม่ผูกติดอยู่กับร่างกายใจเราก็ไปเที่ยวในโลกทิพย์ได้ ถ้าเรามีบุญเราก็จะไปเที่ยวอย่างเศรษฐีกันแต่ถ้าเราไม่มีบุญเราก็จะไปเที่ยวแบบขอทานจะต้องไปคอยรอรับส่วนบุญของผู้อื่นอยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราควรจะทำบุญเพราะว่าถ้าเราทำบุญแล้วเวลาเราตายไปเราจะได้มีที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวกันไม่ต้องไปเป็นขอทานบุญ <Yeah. S 1> คือไม่ต้องไปเป็นเปรดนี่เอง เปรตก็คือผู้ที่ไม่ทําบุญผู้มีแต่ความโลภอยากจะได้เงินได้มาแล้วก็หวงเก็บเอาไว้ใช้ใช้กับสิ่งที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์เช่นใช้กับอบายามุกใช้กับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสิ่งที่ไม่จําเป็นต่างๆก็จะทําให้เกิดความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะการใช้เงินตามความอยากมันไม่ได้ทําให้อิ่มให้พอมันมีแต่อยากจะใช้มากขึ้นไปเรื่อยๆ มันก็เลยต้องไปหาเงินมากขึ้นวิธีจะหาเงินได้มากได้ง่ายได้เร็วก็ต้องไปทำบาปพอหาเงินด้วยการทำบาปมันก็เลยกลายเป็นเปรดไปแล้วก็ไม่เคยคิดเวลาได้เงินมาก็ไม่เคยคิดจะเอาไปทำบุญเพราะจะเอาไปใช้ตามความอยากที่อยากจะใช้ถ้าอยากเล่นการพนันก็จะไปเล่นการพนันอยากจะเด่มสุราก็จะไปเดิมสุรา อยากจะไปเที่ยวก็เอาไปเที่ยวอยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็เลยไม่เคยคิดว่าจะมาทำบุญเลยไม่มีบุญติดตัวไปเ ว, เวลาอยู่ก็ไม่มีความอิ่มใจเหมือนกับคนที่ได้ทำบุญมีแต่ความหิวความอยากได้นั่นได้นี่อยู่ตลอดเวลาเพราะความหิวความอยากนี้มันไม่หมดไปจากการได้สิ่งต่างๆมายิ่งได้ยิ่งอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ โบราณท่านบอกได้คือก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาแต่การทําบุญนี้จะตัดความอยากนี้ให้มันน้อยลงได้ทุกครั้งอยากจะได้อะไรก็เอาไปทําบุญจะแล้วความอยากจะได้สิ่งนั้นมันก็จะเบาลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วทําบุญแต่ละครั้งก็จะทำให้ใจเราอิ่มขึ้นสุขขึ้นมีบุญมากขึ้นเวลาตายไปก็จะไปไปสวรรค์ที่สูงขึ้นไป ยิ่งรรมากก็ได้ไปสวรรค์ชั้นที่สูงสวรรค์ที่สูงก็มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นที่ต่ำนั่นเองอ น, นี่คือกิจกรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทำกันเพราะว่าเรายังอาจจะไม่สามารถยุติการกลับมาเกิดได้เราก็ยังต้องอาศัยบุญนี้เวลาที่เราตายไปเราก็จะได้มีบุญนี้หล่อ เ, เลี้ยงจิตใจให้เรามีความสุข ในขณะที่เราไม่มีร่างกายและเวลาที่เรากลับมาเกิดใหม่บุญที่เราทำไว้นี้ก็ยังไม่หายไปยังรอเราอยู่เราจะได้กลับมาเกิดดีกว่าเกา่ารวยกว่าเกา่ามีฐานะการเงินการทองดีกว่าเกา่านี่คือกิจกรรมที่เราควรจะกระทำในวันเวลาที่เรามีเวลาว่างกันควรทำกิจกรรมเหล่านี้เพราะเป็นคุณประโยชน์กับจิตใจ มีประโยชน์มากน้อยต่างกันทําบุญก็จะพาให้เราไปสวรรค์ทํารักษาศีลก็จะป้องกันไม่ให้เราไปเกิดนาบายถ้าภาวนาได้ก็จะทําให้เราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและจะทําให้เรานี้ตัดความอยากเลิกความอยากต่างๆได้หมดความอยากได้ลาบยศสรสเสริญความอยาก หาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายความอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขที่เราหามาได้สูญจากเราไปเราสามารถเลิกความอยากเหล่านี้ได้หมดเพราะเรามีความสงบเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีลาบยศสารเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะไม่ต้องมีร่างกายเป็นความสุขที่ ถาวรนเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไปจากใจที่จะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับตอนนี้ก็ยังอยู่ในพระทยของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนสิ่งที่หายไปก็คือร่างกายของพระพุทธเจ้าแต่ตัวของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนตั้งแต่วันที่ทรง ตัดสลุนเป็นพระอรหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่ได้ทรงหยุดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปวันที่พระองค์ได้ทรงพบกับความสงบที่เป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงวันนั้นจนถึงวันนี้พระองค์ก็ยังอยู่ต่างกันตรงที่พระองค์ไม่มีร่างกายเท่านั้นเองเพราะว่าพระองค์เห็นโทษของการมีร่างกาย มีร่างกายเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าไม่มีร่างกายก็สบายไม่มีภาระไม่มีโทษไม่มีทุกข์ตามมาพระพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหนพระอาหารหันต์ตาวกทั้งหลายไม่ได้หายไปไหนพวกเราก็จะไม่หายไปไหนหลังจากที่เราไม่มีร่างกายนี้แล้วเพราะใจนี้ไม่มีวันตาย ใจไม่ได้อยู่ในโลกที่ร่างกายนี้อยู่กันเราจึงไม่สามารถติดต่อกับใจได้เราไม่สามารถเห็นใจได้เพราะใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่ละแต่ใจไม่ได้หายไปไหนใจของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเราตอนนี้มีร่างกายใจของเราจึงต้องวุ่นวายไปกับการเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ทั้งของเราและของคนที่เรารักเรามีแต่ความทุกข์ถ้าเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีความไม่มีร่างกายเราจะไม่มีความทุกข์กันถ้าปฏิบัติไปเราจะเห็นโทษของการมีร่างกายเห็นคุณของการที่ไม่มีร่างกายดังนั้นเราต้องพิสูจน์ตอนต้นเราก็ต้องเรียนก่อนให้รู้ว่าทำกิจกรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราทา ที่ทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของพวกเรามีอะไรบ้างเมื่อเรารู้แล้วเราก็ลองเอาไปพิสูจน์ดูลองเอาไปทำบุญทำทานดูดูซิว่ามันทำให้จิตใจเรามีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงหรือมีความทุกข์มากขึ้นไปรักษาศีลดูแล้วดูซิว่าความทุกข์ในใจเราจะมีมากขึ้นหรือจะมีน้อยลงไปลองภาวนาดูสมถะภาวนาดู หรือว่าทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขมากน้อยต่างกันกับความสุขที่เราเคยมีอย่างไรไปฟังเทศฟังธรรมกันเพื่อให้เห็นโทษของการมีร่างกายให้เห็นโทษของการมีความอยากเพราะเมื่อมีความอยากก็ต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกายอันนี้คือกิจกรรมที่มีแต่คนมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษคือการไปวัดเพื่อไปทาบุญทาทาน เพื่อไปรักษาศีลเพื่อไปภาวนาเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้จะทำให้จิตใจนี้มีความสุขมากขึ้นมีความรู้ความฉลาดมากขึ้นรู้ว่ากิจกรรมอะไเป็นคุณกิจกรรมอนใดเป็นโทษแล้วถ้าได้ไปพิสูจน์ดูก็จะจะได้จะได้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อได้เห็นจากการปฏิบัติแล้วนี้จะไม่มีความลังเลสงสัยตอนนี้การฟังนี้ยังอาจจะมีการลังเลสงสัยได้อย่างโบราณที่พูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นดงนั้นถ้าอยากจะเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาของตนเองก็ต้องเห็นด้วยการปฏิบัติการฟังนี้เป็นการศึกษาเป็นการได้ยินได้ฟังเป็นจุดเริ่มต้นของการนาเราไปสู่ความรู้ที่แท้จริง ที่จะเกิดจากการปฏิบัติที่เราจะต้องทำกันต่อไปถ้าเรานำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงรับประกันนี้จะปรากฏขึ้นมาให้เราได้รู้ได้เห็นกันความทุกข์ต่างๆจะน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดความสุขที่มีน้อยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความสุขตลอดเวลาเต็มไงหัวใจ นี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาทํากิจกรรมที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรากระทากันจึงขอให้ท่านจงใช้เวลาว่างอันนี้ให้เกิดคนประโยชน์กับชีวิตจิตใจด้วยการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการไปวัดกันเถิดแล้วจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปริโบเิณติสาคขังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัรปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติ ภราสอยาถาสัพีต so ิโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิศานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวันโอสุขัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมเลยแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุ ญ, ญาตไ ม, ไม่ตอบปัญหาถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนเป็นข้อความใส่กระดาษเข้ามาให้พิธีกรอ่านให้ก็ได้ถ้าไม่อยากจะประสองค์ออกงาม แต่ถ้ า, อ ย, าอย่ามาถามปัญหาส่วนตัวเฉพาะเวลาที่หลังจากเลิกไปแล้วพอหมดเวลาตอนนี้ทางบ้านเข้ามาเท่าไหร่วันนี้วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสองร้อยเก้าสิบสามครับ y o u t u หนึ่งร้อยสี่สิบวิทยุออนไลน์สิบห้าครับรับฟังข้างบนหนึ่งร้อยสิบแปดเป็นทั้งหมดห้ารอยกสบหกคนครับห้าร้อยตอห้า มีใครอยากจะถามปัญหาไหมบนจราระส่งไมโครโฟนไปขอให้ถามปัญหานะอย่ามาอย่ามาบรรยายนะไม่บรรยายครับถามปัญหาที่อยู่ต่อหน้าเลยครับพระอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เ อ, อ่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาแสดงธรรมเนี่ยผมตั้งสัจจะว่าจะไม่ขยับตัวนะครับแล้วผมก็สังเกตพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ขยับตัวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือเวทนาครับมันเจ็บอเก็บขา นะครับเจ็บเจ็บไปหมดครับก็อยากกลับขอความเมตตาท่านช่วยชี้แนะทํำยังไงให้ออให้พ้นจากเวทนานเวลาเรานั่งฟังเราก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่าเราเราพูดมันไม่มีเวลามากังวลกับความเจ็บมันเลยไม่เจ็บเพราะจิตมันอยู่กับการแสดงธรรมตลอดเวลามันเลยไม่มีเวลาที่จะไปคิดถึงเรื่องทางร่างกายมันเจ็บมันก็เลยไม่สนใจมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บ แต่ถ้าเรานั่งฟังเช่นบางทีบางไว้ไปนั่งฟังภาคสวดปฏิโมกชนั่งไฟสักพักเริ่มเจ็บขึ้นมานะเพราะใจเรามันไม่มันมันมันไม่ได้แสดงธรรมมันก็เลยขี้เกียจมันก็เลยคิดปรุงแต่งไปคิดปล่อยให้กิเลสมันมาคอยดึงไปมันก็เลยเกิดอาการเจ็บขึ้นมาได้แต่ถ้าเราจะควบคุมมันเวลามันเจ็บก็ต้องใช้พุทโธพุทโธสู้กับมันไปพอมันมันเริ่มเจ็บเราอย่านั่งเฉยเฉยจะสู้ไม่ได้ เราตอนนั้นกิเลสมันกําลังกระตุ้นให้เราลุกนะลุกนะลุกนะกนะอย่าอยู่นะมันเจ็บขยับดีกว่านะมันจะคอยกระตุ้นอยู่ในใจเราภายใต้จิตสํานึกเราเราต้องใช้พุโทโธคมมันเมอมันจะเริ่มรู้สึกเจ็บก็รีบพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนอย่าขี้เกียจถ้าขยันพุโทโธแล้วรับรองว่าชนะจะนั่งต่อไปได้จะไม่เจ็บยมยมนั่งต่อไปได้ครับแต่ว่ามันยังเจ็บครับจ น, <อ> จ, นจนกระทั่ง พระอาจารย์หยุดนิ่มแหมรู้สึกเหมือนสวรรค์เลยครับเพราะว่าตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่ขยับเพราะพระอาจารย์อาจารย์ไม่ขยับลูกศิษย์ก็ไม่ขยับกลับกลับขอบพระคุณครับสตินี้สำคัญมากถ้ามีสติกำกับใจแล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้ความเจ็บมันจะไม่เกิดถึงแม้เจ็บใจก็จะไม่สะเทือนใจก็จะไม่ไม่ไม่ไม่วุ่นวาย แต่ถ้าไม่มีสตินี่พอเจ็บร่างกายเจ็บวิจัจยจะวุ่นวายตามไปด้วยเกาณนามาสการพระอาจารย์ครับอาจา้ยครับครับคำถามผมอยากจะอ่าขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชีแนะผิดถูกเพื่อนำไปเป็นหนทางการปฏิบัติของการดับทุกข์จากการปฏิบัติของผมระยะหนึ่งผมยัง ไม่ค่อยมั่นใจว่าผมปฏิบัติถูกต้องหรือไม่อย่างเช่นพระอ า, าจารย์บอกว่าหนทางการดับทุกข์นี่คือมันต้องรู้เหตุทีนี้เหตุตรงนี้ยหนทางการดับทุกข์คือมักผมก็ใช้มักของพระอาจารย์เนี่ยไปฝึกแล้วไปปฏิบัติก็อาจจะเกิดปัญญาหรือไม่ผมผมไม่แน่ใจว่ า, าหนทางที่ผมจะต้องไปปฏิบัติเนี่ยถ้า ในขันห้าตัวไหนที่เกิดก่อนในเรื่อง<ม>อกิเลสหรือความอยากหรือไม่อยากนี่เกิดผมก็สักแต่รู้ว่ามันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันดับไปก็พยายามใช้ไตรลักษณ์มาปฏิบัติฝึกไปเรื่อยๆอถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ก็อยู่ที่ใจไงใจทุกข์ก็เปล่าถ้าใจไม่ทุกข์ก็ถูกถ้าใจยังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูก หมายความว่าอ่าดูที่ใจอ่ผลอยู่ที่ใจผลอยู่ที่ใจ ถ, ถ้าใจยังกระวนกวายถ้าไม่ทุกแต่กวนกวายเนี่ก็ยังถือว่าทุกเหมือนกันอย่างทุกเหมือนกันถูกต้องต้องนิ่งเฉยต้องเป็นอุเบกขาถึงจะถูกถ้าไม่อุเบกขาก็ต้องหาวิธีทําให้มันเป็นอุเบกขาใช้สติก็ได้หรือจะใช้ปัญญาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะทําให้ใจเป็นอุเบกขาได้ครับ ทีนี้อ่าเพราะฉะนั้นในการที่จะดับขันห้าเนี่ยคือขันห้าดับไม่ได้การห้าดับไม่ได้ขันห้ามันมันดับของมันเองเราจะไปดับมันไม่ได้มันดับของมันเองถึงเวลามันจะดับมันก็ดับถึงเวลามันไม่ดับมันก็ไม่ดับให้รู้อย่างนั้นให้ให้ให้ให้ให้ให้รู้จากใจออให้เราปล่อยวางอย่าไปดับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปควบคุมบังคับมัน คือปล่อยเฉยๆแต่รู้เท่าทันครับให้รู้แล้วปล่อยวางเช่นมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันหายเจ็บก็ปล่อยมันหายเจ็บไปไม่ไปยินดียินร้ายกับมันออแต่ดูแลได้ร่างกายยังดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไปถ้าดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันครับอาจารย์ทีนี้อเมื่อเมื่อตรงนี้เริ่มเข้าใจกระจ่างแล้วครับแต่ผมยังยังสงสัยตัวสุดท้ายของว่าจิตวิญญาณนะครับ คือมันมันมันคืออะไรที่แน่นอนชัดเจนแล้วไปนำไปปฏิบัติได้อย่างไรครับออวิญญาณมันไม่มีปัญหาอะไรวิญญาณมันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกายกับใจใจจะรับรูปเสียงกลิ่นรสได้ต้องอาศัยวิญญาณเป็นตัวรับจากร่างกายมาสู่ใจอีกที่นึ่งครับตัววิญญาณเพียงแต่เป็นหน้าที่รับถ้าเราสำรวมตาหูสมองลิ้นกายล้วก็จะเราก็จะเราก็จะควบคุมวิญญาณได้ เช่นเราอย่าไปดูภาพที่ทําให้เกิดกิเลสองี้มันก็ไม่เกิดมันก็จะไม่ส่งภาพที่เกิดกิเลสมาที่ใจครับกิเลสก็จะไม่เกิดครับทั้ทสอนให้สำรวมตาอินทรีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันส่งรูปเสียงกลิ่นรสที่จะมาสร้างกิเลสให้กับใจครับ่าให้ไปอยู่คนเดียวในป่าเนี้รูปเสียงกลิ่นรสมันจะไม่ทําให้เกิดกิเลสครับผาจันเ <c oughs> ข้าใจแล้วครับ <c oughs> สรุปแล้วว่าคําถาม ประโยคที่หนึ่งเมื่อผมไปนำไปปฏิบัติจนอ่าจิตวางเฉยเสร็จแล้วอจิตวิญญาณตัวนี้ก็จะดับไปเองถูกต้องนะครับรไม่ได้ดับเพียงแต่ว่ า, ามันมันจะรับเราจะให้มันรับแต่ภาพรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่เป็นไม่เป็นโทษไม่เป็นเพศเป็นภยัยแต่ความจริงรูปเสียงกลิ่นรสทุกชนิดมันไม่เป็นเพศเป็นภัยหรอกมันมากระตุ้นกิเลสหรือไม่กระตุ้นกิเลสแต่ถ้าเรากำจัดกิเลสในใจได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรจะ มันก็จะไม่ไมีกิเลสที่จะถูกกระตุ้นต่อไปพอเรากําจัดกิเลสแล้วเราก็ดูดูรูปเสียงกลิ่นรสได้ทุกชนิดครับสาทุคำอาจารย์ขันเราไม่ไปเปลี่ยนไปกําจัดมันเราต้องการกําจัดคือกิเลสที่มีในใจเราครับที่อาศัยขันเป็นเครื่องมือให้มันเกิดเท่า น, นั้นเองคเพราะเรากําจัดกิเลสได้แล้วขันก็ยังอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้า ก, ก็ยังมีขันห้าอยู่ แต่ในใจท่านไม่มีกิเลสขันห้าของท่านจะรับรูปเสียงกิเรสมาแบบไห น, นก็ไม่ทำให้เกิดกิเลสในใจเพราะกิเลสในใจถูกทาลายด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาครับผมจะนำไปตักบับต่อไปครับเข้าใจคำ ถ, ถามทางบ้านต่อเลยขอรินถามพระอาจารย์สุชาติจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับ ถ้าคิดถึงคนที่จากไปแล้วเศร้าจะทําอย่างไรไม่ให้เศร้าคะก็อย่าคิดสิพูดโธพูดโ ท, ดโทไปพอคิดมันเศร้าแล้วก็พุทธคิดแต่พูดโธพูดโธไปมันก็หายเศร้าหรือถ้าอยากคิดด้วยใช้ปัญญาก็บอกว่าเขาไปแล้วเป็นความฝันแล้วเป็นอดีตแล้วเหมือนเมื่อคือนนี้นอนหลับฝันดีพอตื่นขึ้นมาเหตุการณ์ที่อยู่ในฝันนั้นมันผ่านไปแล้วไม่คิดถึงมันก็จะทําให้เศร้าเปล่าๆเพราะอยากจะให้มันเป็นเหมือนอย่างนั้นอีก งั้อะไรที่ผ่านไปแล้วก็เลิมันเถิดถ้าจะคิดก็คิดในทางที่ทําให้เราไม่เศร้าดีกว่าคิดถึงความดีงามหรือคิดอะไรที่ทําให้เรามีความสุขถ้าคิดไม่ได้ก็อย่าไปคิดดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปคําถามจากคุณไฝ่ธรรมกราบนรัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากถามว่าถ้าหนูรักษาศีลแปดถ้าลูกหลานทําผิดแล้วหนูว่าเขาแรงแต่ไม่ได้ใช้คำหยาบ จะผิดศีลไหมคะไม่ผิดหรอกครูบาอาจารย์ท่านก็ยังดูด่าว่ากล่าวตักเตือนพระเนนได้เพีแต่ว่าอย่าเป็นอารมณ์ก็แล้วกันเวลาโกรธอย่าเพิ่งไปด่าอย่าไปว่าเขาก็กล่าวตักเตือนต้องเหมือนกับการสอนสอนสอนเด็กนักเรียนในห้องเรียนเราต้องสอนด้วยการด้วยใจที่เป็นกลางใจที่ไม่มีอคติเวลาเรามีความรักความชังอย่าพิ่งไปสอนอย่าเพิ่งไปพูดเพราะมันจะ พูดไปแล้วมันจะเสียหายมากกว่าเป็นเป็นประโยชน์คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอถามครับโสดาบันนี้ยังมีกิเลสอยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่เหมือนปุถุชนทั่วไปภูมิโสดาบันนี้คืออริยะเบื้องต้นใช่ไหมครับหเหนือกว่าเทพอินพรมใช่ไหมครับแต่คนทั่วไปจะมองดูไม่รู้ด้วยตา จะต้องปฏิบัติเองใช่ไหมครับขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายขยายความได้ครับออใช่ทั้งหมดเนี่ยที่ถามมาปารยะบุคคลขั้นที่1 น, นี้ท่านได้กําจัดกิเลสบางส่วนไปแล้วสา็นต์ละสังโยชน์ได้3ตัวสังโยชน์มีทั้งหมด10ตัวกิเลสมีอยู่10ตัวพระโสดาบันละได้3ตัวแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะละได้อีกสตัวเป็น5ตัวแล้วปฏิบัติ ขั้นสุดท้ายก็จะร้อีกห้าตัวเป็นสิบตัวเอาน์พระอริยบุคคล น, นี้ไม่เหมือนกับคนธรรมดาเพราะท่านกําจัดกิเลสได้ทําให้การกลับมาเกิดนี้น้อยนับนั บ, น, บนับชาติที่เหลือได้เช่นพระโสดาบันนี้จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติถ้าเป็นพระนาคามีก็ไม่เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไป แต่ยังต้องกลับไปเกิดเป็นพรมอยู่แล้วส่วนพระอาหารหันต์นี่ก็ไม่ไม่เกิดเป็นพรมเลยจะไม่เกิดเป็นอะไรทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระอริยบุคคลโยมมียอะไรถามไหมถามได้พระโสดาบันละกิเลสได้สามตัว ค, คืออะไรเจ้าคะ่ะคือสามโยมนี่ก็คือกิเลสที่หนึ่งสักกายทิติความเห็นว่าขันห้าเป็นตัวเราของเราเช่นนั่งกายความรู้สึก เวทนานี้เรามักจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายนี้เราทุกคนคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนเวทนาเวลาเกิดเวทนาขึ้นมาเราก็ว่าเราเจ็บแต่ความจริงไม่มีเราในร่างกายไม่มีเราในเวทนามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเหมือนกับฟ้าร้องฝนตกแดดออกเราไปเรียกฟ้าร้องว่าเป็นเราหรือเปล่าเวลาฟ้าร้องเราเลยว่าเราล้องหรือเปล่าแต่เวลาท้องเราล้องเราว่าท้องเราล้อง แต่เวลาฝ้าร้องเราไม่เรียกว่าเราเราเราเรามั น, เ ป, นเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันเพ<อ>ราะร่างกายนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟแล้วใจคือเรานี่ไปไปครอบครองมันอีกทีหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นใจเพราะว่าไม่มีใครสอนเราก็เลยไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพระเจ้าเลยสอนให้เรามาศึกษาให้เข้าใจว่า เราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ได้ร่างกายตอนที่พ่อแม่เขามาผสมพันกันแล้วเราก็ครอบครองร่างกายนั้นเวลาข้อออกมาเราก็สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามความคิดตามความอยากของเราเราก็เลยคิดว่าเรากับร่างกายเป็นอันเดียวกันอ น, นี้กคือไม่คิดนี่คือสักกายทิฏฐิเราต้องเปลี่ยนความคิดแล้วก็ต้องทาตามความคิด เมื่อร่างกายไม่เป็นเราแล้วก็ต้องให้มันเหมือนกับเวลาที่เราเห็นร่างกายของคนอื่นร่างกายของคนอื่นเรารู้สึกอย่างไรเราก็ต้องรู้สึกกับร่างกายของเราอย่างนั้นร่างกายคนอื่นเขาเจ็บเราไม่เจ็บเราไม่เดือดร้อนอย่างไรร่างกายของเราไม่เจ็บเราก็ไม่ต้องไม่เดือดร้อนอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของเขาตายเราไม่เดือดร้อนร่างกายของเราตายก็ต้องไม่เดือดร้อนนี่ทังนี้เรียกว่าดูดูดูจริงแล้วทําได้จริง คือปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนาความเจ็บได้ก็เป็นละส ก, กายะทิฏฐิได้แล้วถ้าละได้แล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่านี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ละตัวที่สองได้ที่เรียกว่าสีที่เรียกว่าความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะละข้อที่สได้คือศีละพธธัตตะปรมาต คือการกระทำอะไรต่างๆเพื่อดับความทุกข์ด้วยวิธีด้วยด้วยการไปทำวิธีสะเดาะเคราะห์ อ, อะไรต่างๆจะรู้ว่าความทุกข์อยู่ที่ใจเราที่ปล่อยวางขันห้าไม่ได้นี้เท่านั้นเองอยากให้ขันห้ามันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอมันเป็นอะไรขึ้นมาก็ไปหาหมอดูหาอะไรช่วยมาสะเดาะเคราะห์แล้วก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะรู้ว่าการทำบาป นี่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าจะแก้ปัญหาก็ไม่แก้ปัญหาด้วยการทำบาปอันนี้ก็จะละสามพ่อได้อ่ะ ข, ขออนุญาตอาจารย์ครับเมือ่อเมื่อสักครู่บอกว่าูดใกล้ๆปากเเมือม่อเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเ อ, อ่อจะไม่เจ็บใช่ั้ยครับโยมกลับมาที่เรื่องเจ็บของโยมเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วนั่งยังไงก็เวทนา ไม่เกิด น, นะครับกิ <c oughs> แต่ใจไม่ทุกข์ก็อย่างนั้นเวทนาเหมือนกันพระพุทธเจ้าพระสาวกองค์ไหนก็เจ็บเหมือนกันนั่งกายมันเหมือนเดิมเพียงแต่ใจไม่ไปเจ็บก็เหมันใจเป็นอุบเบกขาเฉยได้ครับผมขอบคุณครั บ, รบไม่มีความอยากให้มันหายเจ็บใจเลยไม่ทรมานไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะอยากให้มันหายเจ็บเท่านั้นเองเราถึงต้องใช้พุทโธหยุดความอยาก พอเราพูดโทพูดโธไปแล้วแสดงทำไปมันก็เลยไม่มีคิดถึงความอยากให้มันหายเจ็บเวลานั่งดูหนังนั่งเล่นไพ่ในปวดเฉยยังยังนั่งดูต่อไปได้เลยใช่ไหมเพราะมันมีอะไรที่อยากจะมีแรงมากกว่าความอยากจะลุกมันก็เลไม่ลุกแต่พอนั่งเฉยๆมันเบื่ออยู่แล้วมันอยากจะลุกอยู่แล้วพอเวลาเจ็บหน่อยมันก็เลยหาเหตุอยากจะลุกขึ้นมา ท, าทันทีมันก็เลยทําให้ใจ ย, ยิ่งยิ่งเครียดขึ้นมาทันที เข้าใจไหมละสามตัวส่วนส่วนอีกสองตัวคือการอารมณ์การมลาคะกับปฏิฆะความหงุดหงิดใจมันมาด้วยการเวลามีอารมณ์กามอารมณ์แล้วมันก็จะหงดุดหงิดถ้าใช้อสุภาษมันก็จะทำลายมันได้ขั้นที่สองถ้าทำลายมันได้ครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นขั้นที่สองคือทำให้มันเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดเรียกว่าเป็นภรสกิาคามี ขั้นที่ขั้นที่สามนี่จะทำลายมันได้หมดเลยเพราะอะไรเพราะจะเห็นสุภาพตลอดเวลาเวลาเกิดเกิดการบัลมปั๊บเห็นร่างกายเป็นสร้ากศพทันทีเห็นอาการสามสิบสองทันทีมันก็จะหยุดการบัลมได้แต่พระสะกิดาคามีบางทีเผลอบางทีมองไม่เห็นบางทีก็เห็นก็เลยเรียกว่าทําให้มันเบาบางลงแต่พระโสะดาบันนี้ไม่เห็นสุภาพเลย ก็โสดาบันยังติดกับถ้ามีครอบครัวก็จะอยู่กับครอบครัวต่อไป <c oughs> แต่ถ้าเป็นพระสกิดาคารีพระนาคามีแล้วถ้าเป็นครอบครัวก็ขอเลิกกันขอไปบวชขอไปอยู่คนเดียวอันนี้ก็สังโยชน์อสองตัวส่วนอีก5้าตัวสุดท้ายนี่เขาเรียกสังโยชน์เบื้องบนนี่ก็สาหรับผู้ที่เป็นพระนาคามีแล้วก็ยังมีสังโยชน์ก็ยังมีการถือตัวอยู่ ถือตัวที่นี้ถือในใจไม่ได้ถือที่ร่างกายแล้วเพราะร่างกายนี้ตัดไปได้แล้วแต่ยังมีความถือตัวอยู่ยังมีความหลงในความสุขความสงบของใจอยู่ยังติดกับความสงบอยู่ซึ่งยังเป็นความสงบที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถ้าพอเห็นปัญญาว่าออความทุกข์ของใจนี่เกิดจากความอยากอยากให้ความสงบนี้ถาวรอยากให้อยากอยากให้คนเคารพนับถือเราเรามีอัตราตัวตน อันนี้พอรู้ว่ามันเป็นของปลอมก็หยุดความอยากเหล่านี้นเสียแล้วมันก็จะทำให้ใจหายทุกข์หมดยกอเลยอาจารย์บอกให้หยุดความอยากเนะี่ยโยมอยากอยากบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยต้องหยุดไหมครับอ่อนี่ไม่ใช่ถ้าขั้นขั้นปุทุชนก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าเป็นขั้นพระข้าอานาคามไว้แล้วอยากบรรลุก็เป็นกิเลสอย่างพระ พระอนุนี่อยากจะบรรลุตัวอย่ากนี้มันเลยทําให้ไม่บรรลุเพราะท่านตอนนั้นท่านอยู่ขั้นานาคามีแล้วท่านกําลังจะสําเร็จขั้นสุดท้ายท่านนั้นต้องหยุดความอยากทั้งหมดแต่ถ้าขั้นปุตุชโ น, นี้ถ้าอยากทางธรรมนี้ยังจําเป็นอยู่เพราะเป็นบันไดที่ยังต้องไต่เต้าขึ้นไปอยู่อยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากภาวานานี้เป็นมรรคสาหรับปุตุชน แต่สําหรับพระอน า, าคามีที่้อยากจะเป็นพระอาาหารหันต์ขึ้นมาจะกลายเป็นกิเลสไปเพราะตอนนั้นต้องละท่านความอยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากแล้วถ้าถึงขั้นนั้นแล้วอยากช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีความอยากเนี่ย อ, อยากให้พ้นจากทุกข์อยากให้เราพ้นจากไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยากให้เราพ้นท่านเห็นว่าความพ้นทุกข์ดีก็ช่วยเหลือให้เราพ้นทุกข์แต่ไม่ได้ช่วยด้วยความอยากถ้าช่วยด้วยความอยากถ้าก็ไม่พ้นทุกข์ก็จะเสียใจ ถ้าไม่ได okay. yeah, <It> ้ช่วยด้วยความอยากเขาไม่พ้นทุกข์ก็เป็นเรื่องของเขาต่างกันถ้าไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากจะสอนพวกเราแต่เห็นว่าการสอนพวกเรามันเป็นประโยชน์กับพวกเราท่านก็เลยยอมก็เลยสอนแต่ถ้าไม่หวังอะไรจากพวกเราถ้ามีความอยากแล้วมันจะหวังอยากให้ก็ทำอย่างนี้พอเขไม่ทำก็โกรธเสียใจอันนี้มีความอยากแต่ถ้าไม่มีความอยากก็ไม่เสียใจ เขาเขาทําก็ทําไม่ทําก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่บอกเขาก็บอกเขาไปแค่นั้นเองใช้ใช้ใช้เป็นว่าเมตตาปาถนาดีไ่้ไหมครับแต่คำอยากก็ได้ทั้งนั้นจะใช่อยากก็ได้แต่อยากแบบไม่มีกิเอ๋ออย่างนี้เดียวกันอยากแบบไม่มีผลร้ายอยากให้เมตตาปาฐนาดีไม่มีปาถนาลายอยากแต่ไม่มีความหวังอยากแต่ไม่หวังเออ คำถามจากคุณวัศน์ครับกระปรี้ยนถามพระอาจารย์มีคนบอกว่าเขานั่งกรรมฐานเพื่อเชิญดวงวิญญาณหนึ่งมาเกิดเป็นลูกของเขาได้เขามีหลักฐานยืนยันเป็นรอยแผลเป็นจากการตายของคนคนนั้นตรงตามที่มีก่อนตายจริงหรือไม่ครับที่สามารถทําแบบนั้นได้ก็าถามก็ดูเลยเราไม่เคยทำํำเราไม่รู้จตอบอยังไงคําถามจากคุณชัย ปกติเห็นคุณแม่ตักบาตรตอนเช้าทุกวันผมเองตื่นสายมีวิธีอื่นๆไหมครับที่จะได้บุญและการนั่งสมาธิจะได้บุญกุศลไหมครับได้ไม่ถึงทำบุญเวลาอื่นก็มีถวายสังฆท า, านตอนไหนก็ได้ถ้าเต่นเช้าใส่บาตรไม่ได้ก็ไปสัดตอนสายก็ซื้อของไปถวายได้คำถามจากคุณนภพัฒนในวันสงกรานต์เราจำเป็นต้องสงน้ำพระที่บ้านใหมเจ้าคะ ก็แล้วแต่เป็นธรรมเนียมถ้าเป็นธรรมเนียมก็ทํากันอยากจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะท่านไม่เดือดร้อนละทําน้ำไม่ท่านหรือไม่ที่กขาส่งน้ำก็คือพระตั้งไว้ตั้งปีแล้วมันฝุน่นฝุ่นมันอะไรก็เอามาชําระล้างสักทีหนึ่งถ้าเป็นทองเหลืองมันครําแล้วก็มาขัดใหม่อะไรทํานองนั้นก็เป็นการรักษาความสะอาดรักษาความสวยงามของพระพุทธรูปให้ดูแล้ว น่าชื่นชมทนั้นเองคำถามจากคุณบุญญาหากเดินจงกรมแต่ไม่ได้กำหนดซ้ายขวาแต่เป็นนับเก้าได้หรือไหมคะยังไงก็ได้ถ้าเราไม่คิดที่ให้ทานี้เพื่อไม่ให้เราคิดถึงขนมไม่ให้คิดถึงแฟนไม่ให้คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวไม่ให้คิดถึงราบยศสรรเสริญไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละวิธีไหนก็ได้พุโทโธก็ได้สัมมา阿拉หังก็ได้ ซ้ายขวาก็ได้ก้าวหนอวางหนอยกหนอก็ได้แล้วแต่เป้าหมายก็คือให้หยุดความคิดเวลานั่งพุทโธใจกระโดดไปคิดหลายเรื่องก็เลยพุทโธพุทโธเร็วขึ้นถูกหรือไม่ขอคำแนะนำด้วยครับก็ถ้าหยุดความคิดได้ก็ถูกเบางบางทีจิตมันมันเด้อมันด้านมากก็อาจจะต้องให้มันใช้มาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น แล้วแต่ว่าจิตมันอยู่ในสภาพไหนถ้ามันคิดมากเราก็า จ, จะต้องพุโทโธให้เร็วขึ้นถ้ามันไม่คิดเราอาจจะไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าคิดน้อยเราอาจจะให้มันดูลมหายใจถ้าเรานั่งเฉยๆถ้าเราไม่ได้นั่งเฉยๆเรากําลังทํากิจกรรมอะไรอยู่ให้มันเฝ้าดูกิจกรรมที่เรากําลังทําอยู่ก็ได้คําถามจากคุณวรวรรณกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคนฝากเอาซองผ้าป่ามาให้ทําบุญ จึงนําซองผ้าป่าให้คนที่ทํางานมาทําบุญร่วมกันต่อมาไม่ได้ติดต่อกับคนคนนั้นส่วนตัวจึงนําเอาเงินเอาไปทําบุญอีกวัดหนึ่งแทนไม่ได้มีความคิดจะนําเงินไปใช้เองเลยเจ้าค่ะแบบนี้จะเป็นอะไรไหมคะก็เราก็เปลี่ยนที่ทําบุญเท่านั้นเองในเมื่อเขาเอาซองมาให้เราแล้วเขาไม่มารับซองนั้นไปซองนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้เป็นตัวที่บังคับว่าเราจะต้องเอาเงินของเราไปทําบุญกับซองนั้น เมื่อเราไม่สะดวกหรือเขาไม่มารับไปเราจะไปทำบุญที่อื่นก็ได้ถ้าเป็นเงินของเราเราจะเปลี่ยนไปทำบุญแบบอื่นกับคนอื่นก็ได้คำถามจากคุณบีเมื่อก่อนนั่งสมาธิได้นานระยะหลังนี้นั่งสมาธิได้แป๊บเดียวก็รู้สึกอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วสมาธิเสื่อมได้ถ้าไม่ฝึกต่อเนื่องจริงหรือไม่คะจะหาอุบายให้นั่งต่ออย่างไรดีคะ ก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นคอยควบคุมความคิดให้มากขึ้นมันจเจริญสติอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณหมอนไหมกราบพระอาจารย์ภาวนาพุทธโธควรช้าหรือเร็วขณะภาวนาถ้าได้ยินเสียงต่างๆจะกําหนดอย่างไรเจ้าคะอย่าไปสนใจเสียงมาก็ปล่อยเข้าไปเราอยู่กับพุทธโธงเราไปจะช้าหรือเร็วก็ตามความสะดวกของเราถ้าเราอยากจะเร็วก็ได้ บางทีง่วงนอนมันจะง่วงพุทธโธพุโทโธแล้วมันจะหลับก็อาจจะให้มันเลวหน่อยก็ได้หรือถ้ามันนั่งเฉยๆแล้วมันจะหลับก็ลุกขึ้นมาเดินพุโทโธแทนก็ได้เพื่อจะได้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จกักดูว่าเหตุการณ์มันมันควรจะใช้แบบไหนอย่างไรเหมือนกับขับรถเนะีเราก็ต้องรู้จักวิธีเปลี่ยนเกียร์รถจะต้องรู้ว่าตอนนี้ต้องควรจะวิ่งเร็วแร้ววิ่งช้าอยู่ควรจะอยู่เลนไหนอันนี้ก็เหมือนการการปฏิบัตินั้นก็มีเหตุ มีสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่อาจจะทําให้เราต้องเปลี่ยนการกระทําของเรามีเปลี่ยนการใช้พุโทโธถ้านั่งแล้วจะหลับอาจจะต้องลุกขึ้นมาเดินพุโทโธเดินพุโทโธช้าๆแล้วมันก็ยังง่วงอยู่ก็ จ, จะทําพุโทโธให้มันเร็วขึ้นเรื่อมันยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็ให้มันเร็วขึ้นถี่ขึ้นคําถามจากคุณวันเรียนถามพระอาจารย์ขอถามเรื่องตัวคิดกับตัวรู้ ถ้าจิตบรรลุธรรมรู้ว่าพบชาติสิ้นแล้วหมายความว่าตัวคิดจะคิดจนกระทั่งตัวคิดหลุดพ้นพบความจริงแล้วตัวคิดก็ส่งความรู้จริงให้ตัวรู้ต่อใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกที่รู้ก็คือว่าไม่อยากแล้วเหมือนคนที่เลิกเลิกดื่มสุราได้แล้วเียเขาจะรู้ใช่ไอ๋อตอนนี้เราไม่ติดสุราแล้วเมื่อก่อนนี้ติดคิดแต่เรื่องดื่มโซราอย่างนี้ไม่เคยคิดถึงมันเลยคิดก็ไม่เคยมีความอยากดื่ม อันนี้แหละรู้แบบนี้รู้ว่าใจไม่หิวใจไม่อยากใจอยู่เฉยๆมีความสุขมีความอิ่มมีความพอในตัวของมันเองคำถามจากคุณตายน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามมีอยู่ว่าลูกไม่ค่อยสบายใจกับการเจ็บป่วยของคนที่เรารักเป็นทุกข์ลูกพยายามไม่คิดแต่ใจมันก็ยังคิด เราควรปล่อยวางใจยังไงดีที่ไม่ให้กลุ่มกับความเจ็บป่วยของคนที่เรารักก็ท่องคำที่พระเจ้าสอนให้คอยท่องอยู่เรื่อยๆคือเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ให้คิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วต่อไปจิตมันก็จะยอมรับเองถ้ามันไม่ยอมรับก็ต้องใช้พุทโธหยุดมันก่อนไปนั่งสมาธิไปพุทโธพุทโธ พอจิตหยุดแล้วพอให้สอนให้มันว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยน่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้มันก็จะรับได้ฉะนั้นก็ต้องทําทั้งสองอย่างถ้าสอนไปแล้วมันไม่ยอมฟังก็ต้องทําให้มันหยุดก่อนทําจิตให้หยุดก่อนเพราะมันเดิมมันยังต่อต้านอยู่ก็ต้องทําสมาธิทําใจให้สงบ พอใจสงบแล้วบอกว่าเานี่ยคนเราทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายต้องเจ็บด้วยกันทุกคนไม่ว่าเขาไม่ว่าเร า, เอาพอเห็นความจริงอันนี้มันก็จะไม่เศร้าอีกต่อไปคําถามจากคุณสืบพงกระผมสวดมนุ์ทุกวันเช้าเย็นขณะสวดเกิดความปิติยินดีจนหัวเราะออกมากลั้นไว้ไม่อยู่จริงๆครับจะบาปหรือไม่ครับ ไม่บาปหรอกแต่คิดว่าคงไม่ใช่ปิติจริงล่ะมันจะเป็นบ้ามากกว่าไม่มีไม่มีสติสตังที่คอยควบคุมออคนที่มีสติเขาจะไม่ปล่อยออกมาทางกายทางวาจาออก็ปิติก็มีอยู่ในใจก็รู้ไปเท่าที่เคยฟังมานะไม่เคยได้ยินเดี่ยกับขณะที่จะเป็นอย่างนี้ออออถ้ามีสติมันก็ต้องยับยั้งได้ กราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาต่อท่านให้แสดงธรรมเกี่ยวกับความโกรธและการดับซึ่งความโกรธเจ้าค่ะอยากได้ยินได้ฟังธรรมเรื่องนี้จากพระอาจารย์เจ้าค่ะออความโกรธก็จากความอยากของเราอยากให้แฟนนอนกับเราก็บอกวันนี้จะไปนอนกับคนอื่นเขาก็เราก็จะโกรธขึ้นมาถ้าอยากจะไม่โกรธก็คืออย่าไปอยากให้เขาไม่ไปนอนกับคนอื่นอย่าไปอยากให้เขานอนกับเราเออ เขาจะไปนอนกับใครก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธนั้นปัญหาของเราความโกรธเกิดจากความอยากของเราทำไมคนอื่นแล้วไม่โกรธคนอื่นก็ไปนอนกับใครทำไมเราไม่ไปโกรธเขาล่ะเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้เขามานอนกับเราใช่ไหมแต่แฟนเรานี่เราอยากจะให้มานอนกับเราไม่อยากให้เขาไปนอนกับคนอื่นพอเขาไม่นอนกับเราเขาไปนอนกับคนอื่นเราก็โกรธงั้นอย่าไปอยาก ถ้าไม่อยากเราจะไม่โกรธเท่านี้ความโกรธเกิดจากความอยากอยากได้เงินของเงินแฟนไปซื้อกระเป๋าใบใหม่แฟนไม่ให้ก็โกรธอยู่ถ้าวันนี้อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวเมืองนอกกับเพื่อนแฟนไม่ให้เงินไปเที่ยวก็โกรธแต่ถ้าไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากได้เงินของเขาก็จะไม่โกรธเขาเท่านี้แหละความโกรธมันเกิดจากความอยากความอยากที่ไม่สมหวังถ้าความอยากที่สมหวังก็โอ้ดีใจรักเขาเหลือเกิน รัแกแค่สองวันเดี๋ยวก็อยากใหม่แนละ้วพออยากแล้วไม่ได้ทีนี้ก็โกรธเองนะงั้นระวังความอยากมันจะพาเราไปสู่ความโกรธเพราะอยากครั้งนี้เขาตามใจเราเราก็ดีใจแต่ถ้าอยากบ่อยๆเขาคงจะรับไม่ไหวเหมือนกันแต่ความอยากของเรามันจะไม่หมดพอมันได้แล้วมันจะโลภมากขึ้นอยากได้มากขึ้นขอครั้งนี้ได้ก็อยากจะขอข้างหน้าอีกได้อีกก็ขออีก ในที่สุเขาก็รับไม่ไหวเขาก็รับไม่ไหวก็โกรธเขาเรากโกรธเขาก็เดี๋ยวก็เกิดการแตกแยกกันขึ้นมาเนี่ยที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ถ้าไปขอเขามากๆขอเขาจนทั้งเขาเบื่ อ, อนี่เขาก็ไม่อยากจะอยู่กับเราแล้วอ่ะสุดท้ายคําถามจากคุณธนวดีกราบเรียนถามพระอาจารย์ลองทำวิธีนั่งสมาธิแล้วปล่อยให้ยุงกัด สามารถทําได้ไม่ตบยุงแต่พอเห็นยุงที่กัดแล้วมีความโกรธยุงแสดงว่ายังขาดธรรมะข้อไหนคะขาดความเมตตายังไม่คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนเราเขากําลังหากินเขาหิวเขาต้องการเลือดของเราเป็นอาหารเราควรจะบอยจากเลือดให้เขาไปแล้วว่าเหมือนกับใส่บาดไปเราขาดความเมตตาเรายังไม่พอใจในการที่เขามาเอาเลือดของเราไป เราต้องคิดว่าเป็นการบริจาคเป็นการทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความสุขใจเอารณาวนวันวนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงเอามาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิน